พรทุไรปิฎกฉบับประชาชนพระทุไรปิฎกเล่มที่เจ็ดหมวดที่หภิกษุณีคันท ก, กะหมวดว่าด้วยนางภิกษุณีเรื่องต้นคือประวัติความเป็นมาของนางภิกษุณีพระนางมหาประชาบดีโคตมีผู้เป็นพระน้านางและพระมารดาเลี้ยงของพระพุทธเจ้าทูลขอบวชในพระพุทธศาสนา ในชั้นแรกพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปฏิเสธแต่ในที่สุดทรงอนุญาตโดยทรงวางเงื่อนไขไว้ถึง8ประการที่เรียกว่าครุธรรมซึ่งพระนางมหาประชาบดีโคตมีก็ทรงยอมรับพระอานน์จึงนำความไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ตรัสว่าการที่มีสตรีมาบวชในพระพุทธศาสนาจะทาให้พระธรรมวินัย ตั้งอยู่ไม่ได้นานเท่าที่ควรทรงอนุญาตการบวชภิกษุณีทรงอนุญา ต, าญาตให้ภิกษุทั้งหลายบวชให้นางภิกษุณีและในภายหลังทรงอนุญาตให้ภิกษุณีบวชในสงสองฝ่ายคือบวชในภิกษุณีสงก่อนแล้วจึงบวชในภิกษุสงเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นมีนักเลงคอยดักประทุษร้ายนางภิกษุณี ที่บวชในภิกษุณีสงแล้วจะเดินทางมาบวชในฝ่ายภิกษุสงจึงทรงอนุญาตให้บวชโดยทูตได้คือเมื่อบวชในภิกษุณีสงเสร็จให้นางภิกษุณีผู้ฉลาดรูปหนึ่งเข้าไปหาภิกษุสงสวดขออนุมัติสงเพื่อให้อุปสมบทแก่นางภิกษุณีที่มาไม่ได้รวมสามครั้งแล้วให้ภิกษุผู้ฉลาดสามารถสวดประกาศการอุปสมบทในที่ประชุมสง ด้วยยติจตุตถกรรมคือเสนอยติหนึ่งครั้งสวดประกาศสามครั้งอันหนึง่งส่งชี้แจงด้วยว่าพระนางมหาประชาบดีโคตมีเป็นอันบวชแล้วดีด้วยการรับคารธรรมแปดประการการศึกษาสิกขาบท ทรงอนุญาตให้นางภิกษุณีศึกษาในสิกขาบทที่เป็นสาธารณะคือใช้ได้ด้วยกันระหว่างภิกษุกับนางภิกษุณีส่วนสิกขาบทที่เป็นอาสาธารณะคือบัญญัติไว้เฉพาะแก่นางภิกษุณีก็ทรงอนุญาตให้ศึกษาลักษณะตัดสินธรรมวินัยแปดประการ ส่งแสดงลักษณะตัดสินธรรมวินัยแปดประการคือ 1. ถ้าเป็นไปเพื่อความกำนัดยินดีมิใช่เพื่อปราศจากความกำนัดยินดี 2. เป็นไปเพื่อผูกมัดไว้ในภพไม่ใช่คลายการผูกมัด 3. เป็นไปเพื่อสะสมกิเลสไม่ใช่เพื่อรื้อถอนกิเลส 4. เป็นไปเพื่อความปรารถนาใหญ่ ไม่ใช่เพื่อความปรารถนาน้อย 5. เป็นไปเพื่อไม่ยินดีด้วยของของตนไม่ใช่เพื่อยินดีด้วยของของตนหรือสันโดษ 6. เป็นไปเพื่อคลุกคลีด้วยหมูไม่ใช่เพื่อสงัดจากหมู่ 7. เป็นไปเพื่อความเกียดคร้านไม่ใช่เพื่อปารบความเพียน 8. เป็นไปเพื่อเลี้ยงยากไม่ใช่เพื่อเลี้ยงง่าย เึ่งทราบว่าธรรมะเหล่านั้นไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยไม่ใช่ศัตถุศาสนาถ้าตรงกันข้ามจึงเป็นธรรมวินัยเป็นศัตถุศาสนาเรื่องเกี่ยวกับปาติโมกและสังฆกรรมครั้งแรกทรงอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายสวดปาติโมกให้นางภิกษุณีฟัง ต่อมาทรงห้ามและให้นางภิกษุณีสวดเองโดยให้ภิกษ NO ุทั้งหลายสอนให้ครั้งแรกทรงอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายรับการแสดงอาบัติของนางภิกษุณีได้ภายหลังทรงห้ามและให้นางภิกษุณีรับการแสดงอาบัติของนางภิกษุณีด้วยกันโดยให้ภิกษุทั้งหลายสอนวิธีการให้ครั้งแรกทรงอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายทำกรรมแก่นางภิกษุณีได้ คือสวดประกาศลงโทษภายหลังทรงห้ามและให้นางภิกษุณีทำกรรมแก่นางภิกษุณีด้วยกันโดยให้ภิกษุทั้งหลายสอนวิธีการให้ทรงอนุ ญ, ญาตให้ภิกษุทั้งหลายระ ง, งับอธิกรณ์ของนางภิกษุณีได้แต่เกี่ยวกับการทำกรรมทรงอนุญาตให้ภิกษุยกกรรมยกอาบัตของนางภิกษุณีได้แล้วให้มอบให้นางภิกษุณีด้วยกันทากรรม และรับการแสดงอาบัตตต่อไปและส่งอนุญาตให้ภิกษุสอนวินัยแก่นางภิกษุณีได้การลงโทษภิกษุด้วยการไม่ไหวภิกษุฉัพคีเอาน้ำโคลนรดนางภิกษุณีบ้างแสดงอาการต่างๆที่ไม่ดีไม่งามเพื่อจะให้นางภิกษุณีกำนัดในตน ทรงปรับอาบัตทุกกฎแก่ผู้ทรรมเช่นนั้นและให้ลงโทษคือทันตกรรมแก่ภิกษุนั้นโดยให้ภิกษุณีสงนัดกันไม่ไวหายภิกษุนั้นการลงโทษนางภิกษุณีนางภิกษุณีฉับพัคีหรือพวกหกประพฤติไม่ดีไม่งามเพื่อให้ภิกษุกำนัดในตนทรงปรับอาบัตทุกกฎ และอนุญาตให้ลงโทษนางภิกษุณีนั้นโดยให้กักบริเวณและถ้ายังไม่ละเลิกก็ให้งดให้โอวาดนางภิกษุณีที่ถูกงดโอวาดจะทำอุโบสถร่วมกับภิกษุอื่นๆไม่ได้จนกว่าอาธิกรจะสงบการให้อวาดนางภิกษุณีภิกษุผู้ให้โอวาดนางภิกษุณี จะงดเสร็จแล้วเที่ยวจาวริกไปก็ตามงดโอวาทเพราะเข่าก็ตามงดโอวาทโดยไม่มีเหตุผลตามสมควรก็ตามงดโอวาทแล้วไม่มีวินิจฉัยคือเมื่อลงโทษงดโอวาทก็จะต้องมีการตัดสินให้เห็นผิดทั้งหมดต้องอาบัตทุกกฎครั้งแรกทรงอนุญาตให้นางภิกษุณีไปฟังโอวาทของภิกษุภายหลังทรงอนุญาตให้สมมุติ คือแต่งตั้งภิกษุรูปใดรูปหนึ่งให้ไปสอนนางภิกษุณีเป็นต้นรวมทั้งระเบียบเล็กๆน้อยๆในการให้โอวาดข้อห้ามเบตะเล็ดต่อจากนั้นส่งบัญญัติพระวินัยเบ็เล็ดเกี่ยวกับนางภิกษุณีเช่นห้ามใช้ประคดเอลอยาวเกินไปให้รัดประคดรอบเดียว ห้ามใช้ผ้ารัดดัดสีโครงคือเพื่อรัดรูปดังสตรีผู้เป็นขา้ารหัดนอกจากนั้นยังห้ามทําการแบบสตรีผู้ครองเรือนอีกหลายอย่างเช่นผัดหน้าเจิมหน้าย้อมหน้าตลอดจนห้ามมีธาตทาสีกรรมกรหญิงชายเป็นต้นไว้รับใช้และห้ามใช้จีวรย้อมสีไม่ถูกต้องเช่นเดียวกับที่ห้ามสำหรับภิกษุ และห้ามใช้เสื้อใช้หมวกเป็นต้นนางภิกษุณีถึงมรณะภาพส่งบัญญัติให้เครื่องใช้ของเธอเป็นของภิกษุณีสง์ต่อจากนั้นมีข้อห้ามเบ็ดเตล็ดต่างๆรวมทั้งเรื่องการอุปสมบทการทำอุโบสถและปะวารณา